ดูดีๆนะพระเราชี้เราความอยากความหิวฝึกใหม่ๆ ใ, ในความหิวจะยืดเพราะาการหยุดการงดอาหารเคยทานวันละ 2, 3สามมื้อทั้งกลางวันกลางคืนมาลดมาอดในกายตรงการอาหารมากใจจะเกิดการปรุงแต่งได้เร็วได้ไวความอยากความอยากนั่นแหละเป็นตัวปิด เราเอาไว้หมดความอยากที่เกิดจากตัวใจของเราเราพยายามหยุดหยุดการเกิดดับการเกิดแล้วก็คลายความหลงทุกคนมีความหลงกันหมดถ้าไม่หลงไม่เกิดได้เกิดมาในภพของมนุษย์อันนี้เพียงแค่ทางด้านรูปธรรมก็ปิดกันเอาไว้ เกิดขงกิจคงวิญญาณเขาเกิดเกิดดับดับเขาเกิดเกิดดับดับอดู่ตลอดความเกิดคงขันห้าเขาเกิดเกิดดับดับรวมกันอยู่กับวิญญาณอยู่ซึ่งเป็นส่วนหนาถ้าเราวิเคราะห์ดูดีๆแล้วก็จะเห็นทำความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วก็ละแล้วก็ดับถ้าไม่ถึงเวลาก็หยุดไม่ได้เพราะว่าวิบากกรรมยังมีอยู่ทุกคนเขาเกิดมาด้วยเรงกรรม มาทำความเข้าใจแล้วก็รู้จักผ่อนคลายให้มันสั้นลงไปจนกว่าจะไม่เกิดนั่นแหละอากาศก็ร้อนเนเริ่มจะเข้านาฝนใบไม้ก็เริ่มผริผริตั้งนานแล้วแหละเดือนสี่เดือนห้าปีนี้มีอันนี้สงมากใหม่วันนี้จัดยมท่านใดเรียกว่าพระเราชีเลอา ไปช่วยกันปลูกต้นไม้นะปลูกต้นไม้ในวรรณคดีต้นไม้ที่เป็นสิริมงคลเกี่ยวพุทธศาสนามีท่านผู้ใจบุญนำต้นไม้มาให้อีกล o ใหญ่หนึ่งหสบต้นต้นสาละต้นสาละก็ไม่ถึงกับใหญ่แล้วก็ต้นเท่าแข่งเท่าขานี่แหละนีย่ยงเหลืออีกลอดหนึ่ง ไปปลูกกันคนละต้นละต้นไ ว, นว้แนวแถวไ้สวนมารีวันจองกันคนละต้นอายุเก็ดบแปดสิบปีถ้าไม่ตายก่อนคงแกเห็นดอกดอกใหญ่เท่ากำปั้นสวยงามทีเป็นไม้มงคลที่พระพุทธองค์ท่านประสูตรอยู่ที่สวนลุมพินีอยู่ใต้ต้นสาละออกดอกเต็มต้นพวกเราได้มีโอกาสมีบุตร แต่ไปช่วยกันปลูกพระเราก็ไปช่วยกันหลุมปลูกไม่อยากหรอกไม้นี่ขุดหลุมแค่คืบสองคืบแล้วก็ตอกไม้มัดเอาไว้ค้ำยันเอาไว้ช่วยกันปลูกคนละต้นสองต้นฝากอาไว้ในแผ่นดินเป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของทุกคนถ้าเรายังมีกำลังมีชีวิตอยู่ไม่ไปก่อนก็คงจะได้ได้ชมได้ชม คนหมอก็อาไปปกบาดด้วยดื้อปกแถวแนวไหนก็ปกเลยจะได้ช่วยงามให้เต็มให้รับกันไปหมดจหนมาหลายอยู่ววัาเที่ยวหน้าก็จะมาอีกอยู่มีโอกาสก็ได้สร้างบุญสร้างอานิสงส์กันบุญภายนอกเราก็ทําการทําความเข้าใจกับจิตวิญญาณเราก็ทําทําได้บังไม่ได้บังเราก็ทํำไปน้า จะพาสลองสมโพธ์ใหญ่อยากดมธันใดอยากจะนำธงเที่วมาร่วมก็ขอเชิญได้เอามาร่วมได้ธงเทีวที่เป็นสายจะได้ผพกยงเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของการสรลองสมโพธิเหมือนกับประเทศเนปาลประเทศเนปาลอินเดียลุมพินีที่ปังประสูชดปางตะสรูกระวางธงเที่กันลโมโบกสะใบสวยงาม ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมที่นี่ก็จะตั้งลงทานตลอดใครใครทานมาทานตั้งลงทานใครไปใครมาก็ให้อิ่มน้ำชำระกันส่วนการละกินเลสก็ต้องละเอาละแทนกันไม่ได้การเจริญพร ม, มีหานการทำความเข้าใจเราก็ต้องทำเอาหายใจก็จะไปให้คนอื่นหายใจแทนก็ไม่ได้เราต้องหายหายใจเอา บุญเราก็ต้องสร้างเอาทำเอาในหลักธรรมท่านใ ห, ให้ทำความเพียรทำความเข้าใจตราบใดที่ใจของเราไม่หลุดพ้นก็พยายามสร้างอ น, นิสงบนุศลเพื่อเป็นข้าพพกข้าพห่ถ้าจิตใจของเราปล่อยวางเราก็ตกสร้างบุญสร้างอ น, นิสงอย่างสมมุติให้เกิดประโยชน์ไม่ให้สมมติลาบากอีกในี่ฉยว่า เอาเนื่าปัญญาอะไรก็ทำไม่เป็นอะไรก็ทำไม่เป็นสมมุติก็เลยลำบากเราต้องทำความเข้าใจอยู่กับสมมติอย่างสมมุติให้เกิดประโยชน์เพราะกายของเราก็ยังอาศัยสมมุติอยู่อาศัยปัจจัยสี่ยุมส่วนใจของเรายังเกิดตากำลังคติปัญญาของเราไม่เลียวไม่ไวไม่ให้ต่อเนื่อง ใจของเรายังหลงอยู่หลงขันห้าอยู่เราอาจจะมองว่าเราไม่หลงอยู่ในระดับของสมมติแต่ในหลักธรรมเราต้องแยกต้องคายต้องให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นก่องเป็นกอบ เ, เ, เป็นขันที่ว่าขันห้าเป็นของหนักทําไมถึงหนักเราก็ไม่ได้เห็นแบกสักหน่อยบอกว่างั้นในส่วนลึกๆตัววิญญาณก็ไปรวมกับการบงแต่งของขันห่าอยู่ ถ้าแยกได้ถึงจะรู้ว่าหนักถ้าแยกไม่ได้นี่มันก็หนักก็ยอมแบกอยู่งั้นอ่ะโดยปริยาย่ถ้าแยกได้เขาถึงจะเพียงแค่แยกได้เพียงแค่ปล่อยวางได้แต่ยังเกิดยังรวมกันอยู่ก็มีต้องกําลังทัติปัญญาชี้เหตุชี้ผลตามดูตามรู้ตามเห็นจนอยู่กับสมมุติทําความเข้าใจสมสมุติเคารพสมมุติอยู่ด้วย อย่าทุกข์ุริยาบทถึงจะมีความสุขมองเห็นหนทางเดินว่าจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดเพียงแค่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่เขาก็ปิดกัน้นสมมุติก็ปิดกั้นเอาไวา้ท่านถึงบอกว่าสมมุติวิมุตติสมมุติสัจจะวิมุตติสัจจะความจริงของสมมุติความจริงของวิมุตติคนเราทั่วไปอาจจะรู้อยู่ได้เพียงแค่นิดๆหน่อยๆไม่ตามดูโลกทุกเรื่อง มันก็เลยพลาดโอกาสที่จะดับความเกิดของวิญญาณเสียตื่นเช้าขึ้นมาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาใจของเราส่งออกไปภายนอกสักกี่เรื่องเหตุจากภายนอกมาทำให้ใจเกิดสักกี่ครั้งความรู้ตัวของเราต่อเนื่องถึงคืบถึงสอกหรือเปล่าวันหนึ่งมีกี่นาทีวันหนึ่งมีกี่ชมมั่วโมงเดือนหนึ่งนะเป็นวันเป็นเดือนเป็นปี จนเป็นอัตโนมัติในการดูในการลู่จนไม่ได้ผึกจนไม่ได้สักจนเป็นเองในการดูในการทําความเข้าใจก็ต้องพัฒนาบกันอยู่ใกล้อยู่ไกลพวกเราก็มีอันนี้ส่งร่วมกันนั่นแหละถึงได้มาอยู่ร่วมกันจต่ถึงวเวลาเวลาก็ต้องได้พัดผ่าจากกัน ไม่ได้พัดภักจากกันตอนเป็นก็ต้องได้พัดผักจากกันตอนตายเพราะเป็นกฎคงไกรลักกฎคงความเป็นจริงเราต้องรู้ความเป็นจริงภายในกายของเราให้กระจ่างเสียก่อนความเป็นจริงภายนอกก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละเราอยู่ก็สมมุติไม่ยึดติดสมมุติเคารพสมมุติมีได้เป็นได้ทําได้แต่ให้รู้จักถ้าไม่รู้จักนี่ก็ทุกอยู่งั้นเนี่ยกายก็ทุกใจก็ทุก พอกายเป็นคนทุกข์แล้วก็หาอยู่หากินหิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นตัางอยู่ดับไปกายแตกดับใจไม่เกิดมันถึงจะวางทุกข์ได้ ถึงมันหวังไม่ได้เด็ดขาดก็ให้อยู่กับกองบุญนะอยู่กับกองบุญสร้างบุญสร้างอานิสงส์ให้กับตัวเราให้กับพี่กับน้องให้กับเพื่อนกระแจ่เก็บตายด้วยกันมันพร่ำสอนใจเราอยู่ต่อเวลาใจของคนเรานี่มันเร็วไวยิ่งกุบหลอดถ้าไม่ได้ฝึกเพอแปบเดียวมันไปชะแลี่ไม่รู้ไปถึงไหนขณะนั่งฟังอยู่นี่มันยังไปถึงเทพแล้วท่านจะคุณะเออ ไปหาเครื่องทำไอติมมาแจกเด็กนะอุตส่าลงทุนซื้อเป็นแสนกว่าสองแสนมาทำอะไรตั้งโลงทานไอติมมาแจกเด็กของมนะันใจบุญนกเด็กจะไม่ติดวัดได้ยังไงอีกทักหน่อยก็หาเครื่องเล่นมาตั้งไว้หน้าวัดนะไว้หลอกเด็กให้เด็กมาออกกำลังกายปั่นป้ายหาจักรยานทักย0 3สสาสิบอันมาไว้ หลดตน้นไม้ได้กาลังกายด้วยได้ประโยชน์ด้วยอย่าลืมละ่ะมีตด็กจะหามาให้ทุกอย่างลนะ้วเด็กทิ้งขยะเขื่อนวัดก็ไม่ไหวนะต้องหาที่เก็บขยะอีกต้องจัดให้เป็นระเบียบคนทั่วไปความเป็นระเบียบนีม่มันยากก็ไม่ได้ฝึกพอทิ้งได้ก็ทิ้ง ขอให้ฉันได้อยู่ดีมีความสุขขอให้ฉันได้สบายมันจะสกปรกลกลวงหลังยังไงฉันไม่สนใจขาดกันมากทีเดียวเราต้องพยายามเพืคเเค่ความเป็นระเบียบความสะอาดความเป็นระเบียบเป็นแค่ระดับสมมติก็ทำให้ได้ก่อนเถอะถ้าคนเรามีความเป็นระเบียบก็จัดระบบระเบียบของตัวเราอะไรคนละอายอะไรคนละอะไรคนจเจริญไอสิ่งที่ให้ละอายกับไม่ละอายไอสิ่งที่ให้ ละอายกับไม่ละอายละอายเก่งกลัวตวบาปไม่อายในการที่จะสร้างประโยชน์เราก็ต้องพยายามเหนนี่เลยไข่มาในได้กินเอ็ดติมกันหมดนะเครื่องใหญ่บล็มทํำไอติมในอร่อยมอยากนะข่วยเน่ามะม่วงเน่าก็มาทํำไอติมได้หมดหอมมไม่ปล่อยไม่เสียประโยชน์ วันนี้มีบุญนะพวกเราไปช่วยกันปลูกต้นสะละไม้มงคลคนละต้นสองตน้นเห็นว่ามาหกสิบต้นจะถูกคนละกี่ต้นก็ไม่รู้นะอากาศก็ไม่ร้อนปลูกทิวแถว่วนมะลิวันหลดหน้าก็จะมาอีกปีนี้ปลูกต้นไม้ต้นใสใหญ่เมื่อวานนี้ก็ลงมาต้นใหญ่รถคันใหญ่ก็แทบจะเอาไม่ไหว มาเห็นว่าวันเสาร์จะมาอีกสามตั้งใจลัวปอรกันอขออนุญาตโยมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติหรือว่าสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันสักพักหนึ่งเต็งตะตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยังแต่ยังก็เริ่มเถอนะ ถ้าเรามีความรู้ตัวรู้กายรู้ลมหายใจเข้าออกที่ต่อเนื่องลึกลงไปแล้วก็จะรู้ลักษณะของใจรู้ความปกติของใจรู้อาการนองขันห่ารู้อาการนองความคิดกระใจเขารวมกันเป็นสิ่งเดียวไปด้วยกันได้อย่างไรนี่แหละความหลงตรงนี้แหละที่เราควรจะเข้าไปสังเกตให้ทันอานนี้สงบุญบาลมีส่วนอื่นเราก็ทำอยู่ตลอดเวลาความเชื่ะละกิเลส ควบคุมจิตควบคุมใจอาจจะได้เป็นบางเรื่องบางครั้งบางคราวแต่ความหลงตรงนี้กําลังทติของเราต้องจเจริญขึ้นมาให้ต่อเนื่องเราก็รู้จักสังเกตรู้จักวิเคราะห์จนกว่าใจของเราจะคลายออกจากความคิดจึงเรียกว่าแยกรูปแยกนามก็เรียกว่าง่ายง่ายจากสมมุติไปสู่วิมุติียงแค่เริ่มต้นของความเห็นที่ถูกต้อง ถ้ากำลังสติปัญญาของเราไม่เร็วไม่ไวไม่ต่มคนควา้าเขาก็จะซึมเขา้าสู่สภาพเดิมอีกแลาก็พยายามทำอันนี้สงแห่งสมมุติเราก็ทำให้เต็มเปี่ยมทางด้าน จ, จิตใจเราก็ดูรู้ด้านกระฐานการเกิดการดับของใจว่าเราละได้หรือละไม่ได้เราก็จะหาวิธีแก้ไขตัวเราอยู่ตลอดเวลาสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาความรู้ตัวนี้แหละ ที่เราสร้างขึ้นมาจะกลายเป็นมหาสติจากมหาสติรู้แจ้งเห็นจริงตามดูตามรู้ธรรมความเข้าใจได้ก็จะกลายเป็นมหาปัญญาอยู่ด้วยปัญญาทำด้วยปัญญาบริหารด้วยปัญญาให้ใจของเรารับรู้แต่เวลานี้ใจของเราทั้งเกิดด้วยทั้งหลงด้วยทุกอยากสารพัดอย่างเราก็มั่นอบรมใจของเราแ ก, ก้ไขใจของเราได้บ้างไม่ได้บ้างถึงมันไม่ได้จริงๆมันก็จะไปต่อพบหน้า เป็นข้าพวพกข้อห้อสืบต่อไปในวันข้างหน้าตราบใดที่วิญญาณยังเกิดอยู่เขาก็ต้องเกิดก็ขอให้เกิดอยู่ในกองบนุบนกองกกศลเอาไว้ยังดีกว่าจะทําให้จิตใจของเราตกไปสู่ที่ต่ำก็ต้องพยายามนะอ้ะาจัความรู้สึกรับรููสัมผัสของลมหายใจให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันอ้าไหวพร้อมๆกันค่อยไปทําความเข้าใจต่อให้ได้ทุกุริยาบทนะอันนี้เพียงแค่ย้ำแค่เตือนแค่กระตุนเท่านั้นเอง